ก็เห็นพี่น้องศรัทธาญาติโยมอำเภอบ้านดุงมาพร้อมกับนายอำเภอของเรานูนมีเยอะพอสมควรท่านนายอำเภอออกจากนายยงไปแล้วก็ยังคิดถึงหลวงพ่ออยู่วะกับคุณนายวันนี้ม า, าพร้อมกับคุณนายแต่อเภอบ้านดุงหลวงพ่อก็ได้ไปแสดงธรรมในช่วงก่อนข้าพรรษามั้งที่วัน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 เพอมาบวชเสร็จแล้วท่านก็มานั่งอยู่ศาลาอย่างนี้แหละผ่าบวชไม่นานครมานั่งอยู่ศาลามีพระที่มีอายุพรรษามาท่านก็เห็นนั่งอยู่หัวแถวกคนมีอายุแล้วเนี่ยก็เหมือนกับบวชนานนะพระมาเขาก็มาการาบพอมากราบท่านก็ยกมือไหว้ยกมือรับเขา